กราบคาวะพระรัตนตรัยพระพุทธประตามประสมแล้วขอโอกาสจากคณะสงครูบาอาจารย์และพระภิกษุสงฆ์ทุกท่านและแม่ชีแล้วก็ญาติโยมเจริญพรด้วยครับก็ออาทมสบายนะครับก็ทาเป็น ยกนอสันจังว่าก็ได้หรือว่าถาูดูลมหายใจหรือว่าตันจ่ายฟังก็แล้วแต่พวกเราก็สะดวกนะครับก็เมื่อกี้ก็อาจารย์สมสินก็แนะนำธรรมะ <c oughs> ว่าได้ <c oughs> พบกับคร <c oughs> ูบาอาจารย์ เป็นพระนักพัฒนาอาตอมาก็ก็สนใจตอนแร ก, เ, กเรื่องการาพัฒนาจิตใจก็ได้พบกับหลวงพ่อครูบาอาจารย์ ที่ซึ่งเป็นพานักเรียกว่าเป็นพานักพัฒนาหล่มพอคำเขียนพ่อนางก็ดีจานเฉลิญนก็สนใจพออรตมาก็แต่ก่อนนี้ก็เป็นเป็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของของคง พัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชนบทนอกั้ น, ก, นก็เป็นเป็นนักวิจัยเรื่องการพัฒนาแต่ว่าตอนที่ยันอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ยังไม่เห็นชัดว่าพัฒนาอย่างไร ที่ดีที่สุดเพราะว่าเห็นพัฒนาของประเทศของตัวเองเป็นประเทศญี่ปุ่นก็คิดว่าแม้ว่าพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเจริญทางด้งวัตถุ ก, ก็ดีแล้วสมัยก่อนก็ แต่ว่าคนชีวิตจิตใจของคนญีน่ปุ่นเป็นยังไงก็ยังแหงว่ามีทุกมีทุกเรื่องหลายอย่างกางความสัมพันธ์กันกับ ระหว่างคนหรือว่ามันก็ทะเลาะกับพ่อแม่หรือหรือว่าสามีภรรยานี่ก็เป็นทะเลาะกันก็มีหรือว่ามมีเงินก็ยันไม่พอใจขาดแคลน รู้สึกขาดแคลนหรือว่าเรื่อนหลายอย่างที่เป็นทุกข์ก็แก้ไม่ได้ก็บา ง, บางของก็คาตัวตายกันได้รู้ขอ้อมูล เป็นอัตราค่าตัวตายของคนญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับคนไทยก็4เท่านะปีหนึ่งก็สมึงกว่าคนตายวันละร้อยคนคนที่ค่าตัวตายแต่โรคก็มีอยู่ก็10เท่าก็ประมาณพังคนนึงพังคนต่อ ว, วัน Oh, mm hmm. ก็โดดอนอดูฆ mm hmm. ่าตัวตายบางของก็ขวางคอดอดอะไรน้ำอะไรหลายยานวิธีการฆ่าตัวตายคนญี่ปุ่นที่เคยมาที่นี่ก็ mm hmm. เคยมีสิบกว่าคนแล้ว สิโกดของครบร้อยยี่สิของก็เคยเขาว่าเคยฆ่าตัวตายก็ยังทุกข์อยู่ก็ข้าม า, าแก่ความทุกข์ที่สุขตโตที่นี่เพราะว่าไปที่รมพยาบางโลกจิตอะไรก็แก่ไม่ได้ กินยาก็ไม่ค่อยแกไดก้มาหาที่นี่ก็มีนี้ก็ไม่ใช่ปีสองปีนี้แต่กอนก็มีอยู่ก็เลยทำมามก็ รู้สึไม่พอใจกับการพัฒนาทางด้านวัตถุทางด้านเศรษฐกิจยางเดียวก็แต่ว่าแห่หาไม่เจอที่ญี่ปุ่นว่าพอดีมีโอกาสได้มาทำการทำการวิจัยที่เมืองไตก็บังเอิญเจอเจอพระ ที่เป็นนักพัฒนาแต่ว่าอันนี้ก็คนละแบบกันกับการพัฒนาที่อาตมาแห่งเคยแห่งอยู่เพราะว่าไม่ว่ า, าการพัฒนาทางด้งานองค์กร่างเอกชน นีก่ก็จุดนุ่นไม้ก็ดีก็ช่วยเหลือคนที่อยู่เป็นเป็นชาวบ้านให้มีรายได้บ้างมีแก้ไขคนจนให้รวยขึ้นนี่ก็จุดนุ่นไมายก็ดีเพราะว่าถ้าเรา ขาดแคลนอาหารก็ก่อนจะตายก็ได้เพราะว่าที่ประเทศตันแอฟริกาก็หลายคนก็กินข้าวไม่ได้ตายก็หลายคนอยู่ก็ตันดังวัตถุก็ก็จาเป็นที่จะช่วยเหลือ พัฒนาบ้างแต่ว่าประทับใจตามด้ า, ด า, านการพัฒนาของอพระสนที่อยู่เมือไทยก็ไม่ใจมุง้งการพัฒนาตามด้านวัตถุอย่างเดียวอันนี้ก็ทำให้เป็นอุบาย เอาหลักของพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้มีรายได้บ้านด้วยการโปรเจกต์ของการต่างๆแจ่งว่า ธนาคาลควายธนาคาลข้าวบ้านหรือว่ า, า้าจชมชมหอมซับไอต่างๆมา ช, ช่วยเป็นผู้ น, นาของชาวบ้าน แต่ว่านี้กบเค่อวปลายมาใช้เพื่อการพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นแกนสารนี่ก็อาประทับประทับใจแล้วก็วิธีการโปรเจกต์นี้ก็ก็ดีเพราะว่า ตำรักพุทธศาสนามาใช้แจ้งว่ากระแสก็เป็นกระแสธรรมชาติไม่ได้ทำลายดินทำลายธรรมชาติถ้าใช้ยาเคมีหรือว่าฆ่าสัตว์นี่ก็ อาจจะเป็นทาลายธรรมชาติก็ได้ทาลายความสมดุลของธรรมชาติก็ได้แต่ว่าเอามาใช้เป็นเกษตรธรรมชาตินี้ก็ประโยชน์ต่อธรรมชาติด้วยและสะปรปสัตว์ทั้งหลายแล้วก็พวกเราคนก็เอามาประโยชน์ แล้วก็กระแสผสมาสานนี่ก็ดีมันเป็นสมดุลของธรรมชาติไม่ได้เอามันสัมผัสลั่นด้วยอะไรต่างๆมาเป็นผูกยานเดียวนี่ก็ดีทำดักของ ศาสนาพวกเราก็เหมือนกันพาสตนแม่ีจียิ ย, ยอมผู้ชายผู้หญิงคนแก่คนหนุ่มคนเด็กมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ชีวิตสัตว์ทั้งหลายกอา็อยู่ด้วยกันได้ก็ามาใช้ในการเก ษ, ษตรตกรรมก็ เป็นกระแษธรรมชาติหรือว่าแม้ว่าเราก็ใช้ชุจมจมกลุ่มอมทรัพย์นี่ก็เพื่อให้เราทำบุญช่วยเหลือทุพผ อ, อื่นด้วย ไม่ได้แหงแกตัวไม่ได้เพื่อเอารวยคนเดียวก็เป็นหลักรามของการทำทามมาใชา้เพื่อการพัฒนาก็เราก็จิตใจก็ ทำตามด้วยก็คิดว่านี่ก็ประดับใจ ย, ยันยิ่งก็เราก็ผงเองก็พยายามที่จะศึกษาลอนดึพอพอดีเจอกับหลพอคำเขียนเป็นเคยได้ยินชื่อได้เรียน ตอนที่ทตมาทำงานวิจัยทำเรียนอยู่ที่กรุงเทพก็ เ, เห็นนในหนังสือก็บทคำเขียนขกองกลางอะไรต่างๆช่วยดวยชาวบ้านวัดประทับใจแล้วก็มาเจอกันเมื่อี1 4พีทีแล้วก็ อาประตับใจอย่างยิน่นแม้ว่าได้พบแค่5นาที10นาทีช่วนนั้นพบกับหลวงพ่อครั้งแรกเพราะว่าหลวงพ่อก็กำลังจะมีธุระลงไปแก้ข้อก็เลยสนทนากัน5นาที10นาทีแต่ว่าตารมาก็พออยู่แล้วได้พบกับหลวงพ่อแล้วก็เกิดเริ่อมสายสัตตา ก็ยางยิ่งเพราะว่าเห็นพ่อก็มีอาเมตตาการุนามันเต็มที่เรยัตามาก็เอาันใจว่าจะอาขอศึกษาหลวงพอ่อ นึกษาเพื่อศึกษาเรื่องการพัฒนาเพราะเพราะว่าธรรมาก็ตอนนั้นก็ทำวิจัยอยู่ก็เลยอาเข่าสนามแกบโค้อมูงก็คิดอย่า ง, างนี้งันก็อพอดีอา ตมาก็ขออาอยู่กับพรวงพ่อก็พ่อก็อนุญาตให้ก็สักเงินเดือนก็ให้เป็นปลาขาวก็จำอ่กรรมที่เป็นขอบวชอาตมาก็อยู่ที่นี่ก็สักงเงินเดือนเงินเดือนก่อนที่จะบวช แล้วก็ก็การที่ดีชาวบ้างก็ประจำประจุกันก็จะให้บวดให้อัตมาก็ก็จอบดีจะบวชก็บวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามแนวการ แต่ว่าเรื่องภาษาก็ยังไม่ก้อยคล่องยังไม่เข้าใจในสมัยนี้ก็ยังไม่ก้อยเท่าไหร่แต่ว่าสมัยก่อนนี้ก็ก็ยิ่งไม่รู้เรื่องก็เลยหลมไปหลมมาบ้าง แต่ว่าค่อยๆเข้าใจคุณค่าของการฉันญสติมากขึ้นาการฉันนสตินี่ก็ไม่ใช่การแพ่นไงไม่ใช่การมัะก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็ประทับใจที่ยันยิ่งก็คือว่า อาลุงพอ่อก็บอกว่าอาการพัฒนาจนาบอทนี้ก็เป็นการอาดีตแหละอลุงพ่ อ, พอก็ว่าอย่างนั้นอาลุงพอ่อก็เป็นอาสองคมัธฐานนี้เป็นหลักเพราะว่าตาั้างแต่ก่อนนี้ก็ไม่รู้จักว่าลุงพอ่อเป็นอาพระน ก, กัดมาฐานได้ยินแฉเรื่อง ทานด้านการพัฒนาชนบทก็ค่อยๆรู้ว่าหลวงพ่อนี่เป็นพระธรมทานที่มันดียันยิ่งเป็นฤทธิ์ให้คนขา้นดันในประเทศไทยด้วยก็เริ่มที่จะสนใจการ พัฒนาจิตใจเราก็เข้าใจว่า อ, อาหลวพอ่อมีจิตเมตตาเกรื่องนามีปัญญาก็เพราะเกิดขึ้นจากการเจริญสตินามภาวนานี้เอนก็เลย สนใจใการพัฒนาจิตใจเจริญให้มากขึ้นของตัวเองตัวเองก็ไม่รู้จักว่าจะาแก้ปัญหาทางด้านจิตใจสมัยก่อนก็เลยรู้สึกไม่พอใจรู้สึก ไม่สบายใจก็เอาซื้อของบ้างหรือว่าว่าด่าเพื่อนบ้างแต่ว่ายิ่งสร้างความอยากสร้างความโกรธก็ยิ่งความทุกข์ก็มากขึ้นไม่จบ ก็แก้ไขยังไงก็ไม่่อยรู้คิดว่าสมัยนี้สมัยกองคนญี่ปุ่นองหลายคนนี้ก็ควจะเป็นอย่างนั้นคนที่มาเมื่อวานวันนี้ก็กลับไปแล้วก็คนญี่ปุ่นมาผู้ชายคุณพ่อก็พามาก็คนไายเพื่อนเขาพาคุณพ่อกับลูกคนญี่ปุ่นมา ก็บอกว่าผูา้ชายก็มันก็มันความทุกข์มากไปหาหมอกินยาอายุยันยี่สิบสามแล้วก็จิตหนาจิตปนแตงก็ทุก ทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจก็ก็ไม่สบายตลอดนี่ก็ก็นี่แหละก็เป็นสาเหตุก็ไม่มีสติ มีความคิดมั่ครอบงำจิตใจซับสองวุ่นวายกันอยู่ก็สอนบ้างเอาเจริญสติเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอายกมือซานจังหวะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเดินจองกรมเป็นอย่างนี้ ก็คุยกันคุยมาแล้วก็ให้เขาปฏิบัติก็เรื่องที่จะเข้าใจมากขึ้นว่าตัวเองอคิดมากเป็นธาตุของความคิด ไม่มีชาของก็เลยความคิดก็พาไปความทุกข์ความหลงความอยากความโกรธก็เริเม่มที่จะเห็นก็มัหงงาทาก็าสดชื่นมากขึ้ น, นหน่อยหนึ่งอาจิมช้าก็ ไม่บินตาบาดก่อามมาก็แนะนำให้ดยังเป็นดูจงคมนะก็ดูสึกตัวรู้สึกตัวนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดปรุงเต็มมากเพราะว่าชีวิตของเรานี่คิดมากแล้ว เห็นธาตุของมันแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มที่จะมีชาของจิตใจเห็นได้ไม่ได้เป็นก็แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อตัวอย่างนี้ก็เป็นอย่างงั้นมาแล้วก็ พยายามที่จะทำความรู้สึกตัวต่อไปวันหนึ่งก็สร้างจังหวะต้นจองกำบ้านนอกจากการสร้างจังหวะก็ยังอยู่ในชีวิตประจำวันก็มาใช้โอกาส การจรันสติก็เขาว่าอย่างนั้นก็คนที่ไม่รู้จักก็เหมือนกันทุกคนทุกคนไม่ใช่เป็นคนดีคนเชื่อแกไม่มีสติก็เลยเป็นคนที่เป็นกรดแล้วหรือว่าคนที่เป็นอ่า ันตับผามบ้างคนที่เป็นแกเรบ้างคนที่เป็นทุกบ้างไม่ใช่สาเหตุว่าคนนี้ก็ไม่ดีเป็นคนเชื่อไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันสาเหตุก็ก็ปัดทางความยึดมั่นถือมั่น ความอยากแล้วก็อวิชชาความไม่รู้ตัวไม่มีสติเท่านั้นถ้ารู้จกักมีสติอยู่ก็ชีวิตก็เป็นกลับมาเป็นปกติสบายขึ้นได้ทุกทุกกรม ตอตมาเองก็เหมือนกันแต่ของก็หลอนทางไปไม่รู้ตัวแต่ว่าคิดว่าเป็นคนที่โชคดีได้เจออารมพอร่อเป็นความจริงแล้วก็ได้อยู่อาศัยที่วป่าสุกัสโตเป็นสัปเพ ะ, ะที่ดีทานด่างอาหารทานด่างสิ่งแวดล้อม ลวาวต่อตานดั้งคอมเบทล้อมกูบาอาจารย์เพื่อนกันลายานมิตรแล้วก็ญาติโยมชาวบ้านกฤตธรรมมาก็อยู่อยยานอบพูนใจแล้วก็ตั้งใจการปฏิบัติธรรมโดยไม่มีอะไรปังหาตานดั้งวัตถุหรือว่าตานดั้ง ความจำเป็นเข้าแต่ปฏิบัติทำได้อย่างที่สบายสบายได้โดยเฉพาะก็การวิธีการเจริญสติยกมือสร้างจังหวะกับโดนจองคมนี้ก็มีคุงค่ามาก เพราะว่ามันไม่ได้หลงทางง่ายบางทีเรียกว่าเป็นการวิปัสนาธรรมฐานแต่ว่าอาจจะทำให้หลงง่ายก็มีผู้หญินสองคนที่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเขาก็อยู่สิบกว่าวัน เราก็เคยปฏิบัติการวิปัสนากรรมฐานที่ญี่ปุ่นแปลว่าที่กรรมฐานที่ญี่ปุ่นนี้ก็ส่วนมากก็เป็นวิธิการฐ า, านต้างอา มหาศิเทระที่ของปัมมานี่เผยแผ่แล้วก็ตรนนี้พระศีรการนี่ก็มาสอนอยู่ที่ญี่ปุ่นกาเป็นลูกศิษ์มาเป็นรรมปฏิบัติธรรมมาสอปีแต่ว่าโอกาสที่ดีตัตา ม, มาก็บรรยาย ตอนไปที่ปุ่นบัญยายแล้วก็ซ้อมการฉินสติบ้านล้ว ก, ก็ฟันแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ประทับใจก็เลยตัดสินใจว่าจะาไปปฏิบัตริรอนดูที่วัดปาสกตโตก็เลยมา ก็มาปฏิบัติตามาก็ก็ก็สอนแบบธรรมดาธรรมตาการันสติเป็นอย่างนี้ดึนจองกรมยกมือซานจังหวะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ทีบายตอนแรกๆก็เขาก็ก็ไม่ก่อย เข้าใจ ช, ชัดแล้วก็ไม่ค่อยตุกชายบ้านเพราะว่ามันไม่เหมือนกับการวิธีการทีเ่เขาเคยทำกันมาอยู่แต่ก่อนนี้ก็เอ า, เอาติดป้ายมันเป็นบริกรรว่ายกหรือว่า อารนหรือว่าความกรดความอยากอะไรก็เกิดขึ้นแล้วก็มันติดไปติดไปมันรูก็มันรู้สึกนี้ก็มันก็สติกระดุกถึงแต่ว่าเขามาจะ ตั้นใจติดป้ายในร่างกายจิตใจมาเพ่งดูอาจารย์ก็สองว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่กายกดขึ้นจิตใจบางความอาคารต่างๆก็พยายามที่จะเดิน หรือว่าพยายามเอาชื่อที่ตรงกับอาคารนั้นให้หลายอย่า ง, งก็เขาก็ติดมาติดมาก็มาที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็ไม่ได้ติดป้ายิไม่ได้บริกา ร, รก็เลยรู้สึกว่า ทำยากแล้วก็เบื่อนอายบ้างแต่ว่าแค่สอนสามวันก็เริ่มที่จะเข้าใจตอนสองกองนางเองก็ร้องไห่ร้องไห้ทำไมร้องไห้เพราะว่าถ้าเข้าใจสติจริงๆ แต่ก่อนนี้เขาบอกว่าเอาติดป้ายว่าความกรอบความยาความติติความมานะอาการทุกสิ่งทุกอย่างก็คิดเอาชื่อมาติดกับอาการต่างๆก็ได้รู้สึกว่ายิ่งทำมาก็ คิดว่าตัวเอรมันส ก, กปรกรู้สึกว่าคนที่เป็นตัวดำดำเต็มที่ <Yeah. S 1> บางทีก็คือว่าอาจารย์ก็สอนว่าอา้าวความอยากความหลงความโกรธนี่ก็เป็นอา่า สิ่งที่เป็นอวดออกมาสิ่งที่เป็นขี้ใครก็บอกก็เลยเขาก็เชื่อก็ อ, อ่ายินตามมาก็รู้สึกว่าออยิ่งขี้มากขึ้นอยู่ที่ใจเป็นความอวดนี่ก็น้ำก็อยู่ที่เรา ก็ทุกข์ใจมากนี่ก็เป็นอาคารที่มันทำให้ความกุ้มใจความหกผูใจยิ่มปฏิบัติแล้วก็หนักใจเขียวใจเขาบอกอย่างนี้ ใช่ว่ามาที่นี่แล้วก็แก้รู้สึกตัวเราไม่ต้นซื่อกับมันไม่ต้นติชื่อป้ายกับมันเอาเป็นอาคารเฉยๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนถาวงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของตัว อบอกแล้วก็เขาก็ค่อยๆเข้าใจอ้าวเป็นอย่างนี้เป็นอาการทําไมแต่ก่อนนี้ก็มันติดชื่อมากแล้วก็มันรู้สึกว่าถ้าตัวฉันนี้ก็เป็นคนที่เป็นคนไม่ดีของดำคนแยเ่แรก็คุณรู้จักว่าอันนี้เป็นตัว ฉันเป็นมานะก็เกิดขึ้นมากจิตกับตัวตนแปลว่ามาที่นี้แล้วก็เบาใจอันเป็ น, นแก่เราก็แหมมั น, นไม่ต้องเอามาเป็นตัวเป็นตนได้แต่ก่องนี้ก็มี อารมณ์แรนแดงเกขึ้นก็ถวฉันคือว่าจางก็บอกว่าเอายิ้มมาปูนอ่าก็โดยดอนดูก็ยิ้มแล้วก็มังไม่หายก็เลยอ่าบอกถวฉันนี่ก็เป็นคนที่ไม่เก่งมันจีบชื่อมาอีก ก็ยิ่งหมดกำลังใจแต่ว่ามาที่นี่แล้วก็ไม่ได้ทำอย่า ง, งานั้นเอาเท้ า, ารู้สึกกลับมาเขาก็ตอนแรกได้ก็ไม่ก้าใจรู้สึกกลับมาเป็นอย่างไรเพราะว่ามันก็คืออาจารย์บอกว่ า, ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มันดู ดูไปดูไปนี่ก็เหมือนกับแพมมันก็เลยมันยิ่งหลนไงาอารมณ์แกอารมณ์ก็ไม่ได้ว่มามาที่นี่ก็แกเอารูดตัวหากาบมาแล้วก็อเบาได้ สบายได้แม้ว่า ก, ากลางเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยได้ง่ายก็เขาก็อ๋อนี่แต่ก่อนนี่มันเข้าใจปิดสตินี่ก็มันก็อ่าคิดว่าติดเจือเป็นสติคิดว่าอ่ามันดูเพมมันเป็นสติ เอาเข้าใจปิดแล้วเข้าใจเข้าใจก็เลยมันก็นำตาไหลลงห้าก็ยิ่งทามาทาไปทามาก็อสบายขึ้นสองปีที่ทามาแล้วก็มันหนักใจตลอดปันตีก็เข่าปรอมเจ็ดวัน ก็ตอนที่ออกมาเจ็ดวันแล้วเขาตั้งใจแถมที่แล้วก็ยินตอนที่กลับมาแล้วก็มีเพื่อนบอกว่ า, าทำไมมันหน้าตาเหี่ยวแห้งไม่ไม่มียิมเย่ยแจ่มใสเครียดทำไมก็แป็นปวนกัน เข้า ต, ต้าใจแล้วก็ทําไมเป็นอย่างนี้ก็เขากา็มีความสงสัยกันมาแต่ว่ามาที่นี่แล้วก็เข้าใจแล้วก็ฉันทําปิดมาแต่ว่าดีใจชอบดีก็เริ่มที่จะเข้าใจเป็นการจังสติเป็นอะไร แล้วก็เกิดปัญญาได้ด้วยตอนที่เขาตอนที่เขาใจเขาว่าฝันเขาก็บอกมาให้ฝันตอนได้เขาก็ไม่เขา้าใจว่าความหมายยังไงเขาเราไห้ฟังว่ามีช้นงก็อยู่ที่กุฏิ มีมาแรงมูลสีดำอันเล็กๆ อ, อยู่ที่นั่นก็ช้าง ก, ก็เห็น เ, เห็นแล้วก็มันเป็นหินเปลี่ยนเป็นหิงห้อยอหิงห้อยนี่ก็อ้เปลี่ยนเป็นมาแรงมูลช้าง ก, ก็พยายามที่จะามาจับด้วย แก้วรู้สึกว่าอยากจะจับจับไปจับมาแต่ว่ามารงมึงก็บีมไปบ้านที่ก็เป็นมาแรงเปรี่ยมเป็นมาแรงเอหิงห้อยแล้วก็ไปอยางที่จะเอาแก้วมาจับ เอ๊ตอนที่แก้วนี่ก็เปลี่ยนเป็นบันทีก็เป็นกะละมนัน <c oughs> บันทีก็เปลี่ยนเป็นแก้วก็พยายามจับไ ป, ไปก็อะเป็นกะลมันใหญ่ๆก็มาจับได้แล้วก็พยายามเห็นว่าเป็นยังไงในหีห้อยอยู่ที่นั้น ก็หิงหอยนั้นก็กลายจะเป็นแยกสี่ห้าตัวอ้าวฉังอาจจะให้กำลังจะตายหรือเปล่าคิดอะไรเงนันก็สุดท้ายก็ค่อยๆหายไป นี่ก็เขาก็ราให้ฝันอคิดว่านี้ก็เป็นดีก็เขาก็เห็นด้วยจิตสานึกจิตใจสานึกว่าเป็นอย่างนี้ต่อมาก็กราให้ฝันนี่และเป็นความคิดด้วย อ, อาการต่างๆอยู่ที่จิตใจก็เหมือนกัน บางทีก็เป็นยามเป็นมะเรมือนสิ่งที่เป็นไม่ชอบไม่ไม่รักแต่ว่าบางทีก็เป็นหิงห้อยเป็นเราก็รักมังม่งชอบมั่งแล้วก็แสงสว่างขึ้นให้ วันทีก็วุ่นวายสิ่งที่วุ่นวายอยู่ที่จิตใจมันเกิดขึ้นบ้างแล้วก็วันทีก็สิ่งที่สวยงามความสว่างก็เกิดขึ้นอยู่ที่ใจก็เหมือนกันนั่นแหละแพมมาแลงมุมมาแลงไอหิ่งห้อยนั้นแ้วเราก็พยายามจับมัน บางทีก็จับง่ายบางทีก็จับยากก็บันทีก็แก้วายแก้วายเป็นขวดเป็นกรมันใหญ่ๆก็ได้นี่ก็เป็นอย่างนี้เป็นอนิจจงไม่ใจไม่ไม่เทียน แต่ของนี้เขาคิดว่าฉันเป็นคนที่มีความโกรธฉันเป็นคนโกรธกันเป็นคนด่าใจแกลเล่ก็ไม่เข้าใจอาการของจิตใจว่าเป็นตัวว่าเป็นตนก็เลยรู้สึกอย่างนั้น เ, เข้าใจก็เข้าเข้าใจก็ดีใจ แล้วก็เราก็บัญทีก็มีสติดีบัญทีก็สติก็ไม่ค่อยดีเวลอนายก็เกิดขึ้นนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นนานิจจังไม่ใช่เป็นถาบองอไรทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ว่าเราก็พยายามมองเห็นพยายามจับมัง ก็จับได้แจับแล้วก็ก็คอยๆรู้ว่านี่ปไม่ใช่เป็นถาวองสิ่งที่ฝังในนั้งก็อาจจะเป็นในความที่เป็น คั้งห้าก็ได้นะมาแรไอหิงห้อยกลายเป็น 4-5 ห้าตัวอินชิมังก็เป็นอย่างนั้นใจเราก็มีรูป อ, อาคนเราก็มีรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมารวมกันเป็นตัวเป็นตน แกว่านี้ก็เป็นสมมุติไม่ได้เป็นถาวงสิงที่มังเกิดขึ้นมารวมกันเป็นประจุมกัาอยู่แกว่าแต่ว่าถ่ายแฮงชัดแล้วก็อาก็กลายเป็นเป็นไม่มีตัวไม่มีตนได้เป็นอนัตตาอ่าเขาก็คิดว่า จิตตายสำนุกนี่ก็เข้าใจธรรมะบ้างเพราะว่าเราก็เข้าใจการเจริญสติทมปฏิบัติตามถูกต้องแต่ของนี่ก็แหงแต่ตัวฉันตัวตนแล้วก็ทำลายตัว ว่าดาตัวเองก็ทุกข์ใจไม่สบายใจได้ผลดีทันสองคนนี้ก็ตอนที่กลับก็ยิ้มแย้มเข้มายเขากลับไปแล้วก็เขาก็แกีนชดอตไม้มาบอกว่าเอา้ามีเพื่อนหืนินก็บอกว่ า, ามันเปลี่ยมเป็นมาก แต่ก่อนมันเครียดมันคิดก็ตอนนี้ก็อยู่ยานอ่ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อยู่กับเครื่องคื้นเป็นปกติเพราะว่าแต่ก่อนนี้เขาก็รู้สึกว่ามันความยินดีนี้ก็เขาทำนึกว่าไม่ดีจริงจริงแลความยินดีนี้ก็เป็นเป็นอาการแล้วก็ เขช่วยเหลือปฏิบัติเราได้แต่ว่าคือบาจารย์บอกว่าฟืฟ้แฟ้าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ดีจิตกัดแสมจิตนิปานี้ก็เป็นดีก็เลยเขาก็แมอาการความยินดีก็เขาก็กดคีหรือว่าพย า, ายามที่จะไม่ยินดี ถ้าอย่างนี้ก็มันก็เป็นปิดปกติก็ตอนนี้ก็ดีก็ดีก็เป็นปกติเป็นธรรมชาติได้ก็เลยเพื่อนก็ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงดีมากขึ้นก็เขาเล่าให้ฟังอ่านจดหมายก็เพื่อกันงานพอสมควรนะครับก็ คือว่าอาตมาก็เห็นประสบการณ์ของตัวเองก็ดีหรือว่าคนที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นคนยี่ปื้นที่อาตมาสทุกๆก่อนได้ผลตามการปฏิบัติแนวลางพวกเทียนแล้วก็ทุกคนก็ได้ผลเป็นความสุขความเจริญ ความทุกข์มันน้อยรองหายไปก็รับรองอจริงๆว่ า, าเราก็เป็นผู้ที่เจาดีแล้วก็ถ้าตั้งใจปฏิบัติตามก็ได้จุดมุ่งหมายที่เป็นสสุดกอมพุทธศาสนาก็ได้ต่อไปนะก็ ก็ได้ครับก็คิดว่าพอสงควางเวลาับก็เจริญพรทุกๆตังครับ